ขอการสปฏิทั้งผู้รับฟังรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบปทุมทุกท่านครับวันน like, ี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศิบปทุมจะเป็นรายการสดครับโดยมีกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติภูมิประดิษฐ์ผู้เป็นการสนักวิชาการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสิบปทุมเป็นผู้ดำเนินรายการครับเช่นเคยครับวันนี้ทางรายการกล่าวพัฒนาประเทศประคุณประเทศบิลกวัีประวัลเดวีเวศวิหารเป็นวกรตอบปัญหาครับหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการคือ022413315 022413315 เรารับทุกสายเพื่อสอบถามปัญหาธรรมะเข้ามาครับมีสายแห้งมารออยู่เลยนะครับสวัสดีครับพิธนการครับครับผมเพื่ขอสอบถามปัญหาครับเชบิญเลยครั บ, บรกลับหลวงพ่อาจารย์ท่านพระคุณเจ้าครับผมผมอยากกลับเรียนสอบถามมากผมอยากกลับเรียนสอบถามด้วยควา ม, คมาเคารพว่าอกรรมที่คนเราสร้างนี่นครับม่วาจะเป็นทั้งในกรรมดีทีเป็นกุศลกรรมละอกุศลกรรมเนี่ยถ้ากุศลกรรมก็โอเคมันตอบสนองของมันนะฮะแต่ทั้ง ทากุศลกรรมก็โอเคตอบสนองตามปกติถ้าเป็นอกุศลกรรมเนี่ยครับผมอยากจะสอบถามว่ามีการล้นละตัดกรรมกันได้ไหมครับผมวิธีการยังหนึ่งยังหนึ่งยังหนึ่งยังได้ไหมครับที่ตัดกรรมได้ครับผมจะขอทาถามข้네 <bom> อท <to> <Huh. S 2> ี่สองนะครับครับผมข้อสองว่าไงครับวิธีที่จะชนะความโกรธได้อะไรครับ เราทังฟังทางวิทยุนะครับกรับรัฐการครับผมวิธีตัดก็คือคือกรรมนี่ตัดได้อย่างเดียวนะฮะคือตัดได้โดยการไม่ทาไม่ทำนะครับครับผมการไม่กระทาบาปทั้งปวงเนี่ยเป็นการตัดกรรมแน่นอนแต่ถ้าทำไปแล้วนี่เราไปเสร็จผลไม่ได้เพราะว่าผลเนี่ยมันมันเกิดมานจกเหตุวิธีที่เราป้องกันก็คืออย่าสร้างเหตุผลันก็ไม่เกิด เราไม่ต้องการกินอุตจารพิษภายในบ้านเราก็จะปลูกอุตจาระพิษก็จบกฎของกรรมที่จริงเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกฎธรรมชาติ <c oughs> ที่มี <c oughs> อยู่ในชีวิตเรานี่แหละหมายความว่าที่เรายุ่งเนี่ยคือเราไปสร้างเหตุแต่เราปฏิเสธผลไปทำชัว่วแล้วก็ไปโยนให้คนอื่นเพราะว่าผลของความชั่วเป็นทุกข์เลยเราไม่ชอบ <c oughs> อะไรนะ กาโกโร<ด>ชนะความโกโรธนอชนะความโกรธที่จริงเนี่ยคือเราต้องต้องมองว่าคนที่ถูกความโกโรธครอบงําจนถึงกับพูดทุดจริต ท, ทําทุจริตออกมาเอาอยัางหน้อยก็อย่างน้อยก็ด่าเราอะ่ะครับเขาก็ใจเขาก็สุดทุจริตแล้ววาจาเขาก็ทุจริตแล้วถ้าเราไปด่าตอบก็เราก็ทําชั่วเท่ากับเขาครับครอเรีนนั้นเขาผิดแล้วครับถ้าเราเฉยเฉยเสียเขาก็ผิดคนเดียวครับแต่ถ้าเราร่วม ด่าเขาด้วยแสดงว่าเราก็เลวทำข้อพกับขเขาเพ oh. ราะฉะนั้นสําคัญว่าเราต้องอดทนได้ต้องอาภัยได้ต้องรอคอยได้ต้องเข้าใจว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมเข้าไปครับนะเขาทําชั่วเขาก็รับผลของความชั่วไปเรารไม่ไม่โดยสารด้วยหรอกเราไม่ทําร่วมด้วยครับเขาเรียกว่าไม่บริโภคร่วมครับผมไม่บริโภคร่วมด้วย ครับขอบคุณท่านควรจะกับสายที่สองมารออยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรียนถามท่านอาจารย์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําบุญนะครับครับผมปมื่เราทําบุญโดยทั่วไปเนี่ยก็ทำทอดกริ่นบ้างปะป่าบ้ า, างจะไม่สร้างบุญวิหารบ้างแต่ผมอยากจะกรับเรียนถามท่านอย่างนี้ครับว่าถ้าเราทำบุญแบบว่าเราแปลพวกหนังสือเป็นเล่มแล้วไปเผยแพร่ต่างประเทศให้กับปลาแต่เราเอาตะตังเนี่ย เราเรจะได้บุญแบบแบบไหนบ้างได้บ้างก็มาเทียบกับการสมุดธรรมดามรครับขอกราบขอโทษครั บ, ค ร, บครับสวัสดีครับแปลหนังสือเป็นภาษาจีนโดยใคครับคือคือการแปลนี่ขยมจะต้องมองว่ามันเป็นเรื่องงานที่เราทำคล้ายๆกับการเทพ ก, การสอนอะไรๆเนี่ยมันก็มีการบูชาการเทพครับแต่มาบางคนเราประเด็นอืวัตถเจตนาที่เผยแพร่นนั้นมันก็เป็นบุญอยู่แล้วเป็นการให้ธรรมะที่เป็นทานอยู่แล้ว แต่ว่าตรงนี้มันมีขั้นตอนอย่างหนึ่งที่เราต้องมีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ก็มีคนช่วยค่าใช้จ่ายรหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นการบูชานะฮะ เป็นการบูชาความรู้พระทะหากว่าเอาความรู้ตรงนี้ไปขายเนี่ยมันมันประเมินเป็นราคาไม่ได้หรอกเพราะขายได้ตลอดชีวิตครนะแต่ว่าไอไอลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่มันก็ว่าได้เป็นคราวๆแต่นั้นเองเพราะงั้นส่วนส่วนเงินนั้นเป็นส่วนบูชานะฮะแล้วก็ส่วนเจตนาแต่เราต้องเจตนาในการเผยแผ่ธรรมะนะเจตนาที่จะอนุเคราะห์ต่อคนอื่นให้รู้ธรรมะ ก็เป็นเจตนาที่เป็นกุศลก็จัดเป็นธรรมทานหนึ่งครับที่คุณเจ้ากาแฟรายการถามมาว่าอ่านหนังสือของทุกเจ้าจารย์หลายๆเล่มแล้วอยากจะทํายังไงเขาเจ้าคุณจารย์ครับเพราะเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาถามมาว่าอยากจะเก่งเหมือนที่คุณจารย์ครับไม่ต้องมีวิธีหรือมีทริคมีอะไรไหมครับท่านครับที่จะทำให้เราสามารถเขียนหนอได้บ้างเคือคือว่าการนําความจริงมันดูดชื่อระบบระบบการศึกษานั่นแหละครับหมายความว่าเราเรียนรู้มาก เราจําได้มากและเราเรื่องหลักๆที่เราจะแม่นครับและเราก็นำเรื่องเหล่านั้นมาคิดเรื่อยเจออะไรเราก็คิดดอกไม้เจอไม้ผลตกแดดออกเราคิดเป็นธรรมะสะสมความคิดไปเรื่อยครับผมนะไม่ว่าอ่านอะไรก็ตามคือคือมาอ่านเชื่อสมมดอ่านข่าวหรือพิมพ์เลฟังวิทยุเอามาไม่ได้อยู่ตรงนั้นะมาคิดต่อโอ้ครับนะคิดต่อไปเรื่อยๆและในสุดมันก็สะสมเป็นความคิดเพราะงั้นบททีเขียนเนี่ยมันมันไม่ได้ดูตําราคือเขียนเลยครับ นะเขียนเลยก็นั่งพิมพ์ดีดไปเลยพอสะดุดตรงไหนคือเรานึกไม่แน่ใจเราจึงเปิดไปไปไปเช็คดู oh. เพราะตลอดระยะเวลาที่เราที่เราพิมพ์อยู่เนี่ยเรารู้ว่าข้อความตัวนี้มันมันอยู่ที่ไหนอ๋อ oh, ครับใช่ไมเรานึกได้ hmm. พอสะดุดเราก็เปิดเปิดู oh. ดดว่าเออไอ้คำบาลีเขาเรียกยังไงเป็นไนะครับ มันก็ก็สามารถทําได้ท pues ี่จริงใครใครก็ทําได้แต่ทํายากเนี่ยข้อสำคัญว่าต้องเข้าใจต้องเข้าใจนะครับเราพูดเฉพาะเรื่องที่เราเข้าใจเรื่องอะไรที่เราไม่เข้าใจเนี่ยก็อย่าไปพูดกันละกันครับผมถ้าเราไม่เข้าใจแล้วคนอื่นเขาไม่เข้าใจหรอกพูดเฉพาะเรื่องที่เราเข้าใจครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับสายที่สามครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ ขอเจรินพรอาจารย์ผู้ดำเนินรายการแล้วก็การน้ำสการพระเดชพระคุณครับผมนมำสกัดครับท่านครับเออคือกากระผมมีเรื่องจะถามมานะฮะคือว่าเมื่อไม่อยู่วันหนึ่งเนี่ยมีโยมาคุยกับผมก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารมังสวิรัตนะครับที่โยเขาก็บอกว่าเขาก็คุยเรื่องที่เอาหารเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเกิดคนเรากินอาหารที่เป็นอาหารเนื้อสัตว์นี่มันจะเป็นการเบ็ดบินสัตว์ถ้าหากว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์ซะอย่างต่อไปก็จะไม่มีคนฆ่าสัตว์ครับอ่าก็เลยอยากจะให้เพื่อิเพื่อนช่วยแนะนำหน่อยว่าเอ้เรื่องการกินเนื้อสัตว์เนี่ยนะฮะมันมัน มีมันไม่มีในพุทธศาสนานะครับแต่ว่ามันมีส้นเหตุมายังไงแล้วก็จะอธิบายขวามทราบอย่างไงครับผมต่เรื่องไม่กินเนื้อสัตว์นะครับแต่เรื่องกินเนื้อสัตว์เรื่องกินมังสวิรัติครับผมการบรรษัทการปังดะวิจิยุนะครับกาบรรษัทการับท่านคือมังสวิรัติเองก็เรียกว่าภาษาจับบวชมันไม่มีในบาลีหรอกเป็นภาษาจับบวชเอานะเหมือนกับอะไรเขาเรียกว่าโซติงโนตบาปฏิทติครับนะก็ สิงโตยืนอยู่หน้าโบสถ์ระแพ้สิงโตยืนอยู่หน้าโบภาษาไทยก็เรียกบาลีไทยเนี่ยอย่างเงี้ยมีเยอะครับคือการที่เรากินอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเพราะตอนที่เรากินมันเป็นอาหารมันไม่เป็นปลาไม่เป็นเนื้อไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นหมูเป็นไก่อะไรแต่อะไรมันเป็นเป็นเป็นอาหารแต่นั้นเองครับน่ะกเรียเกาลิงอาการอาหารอาหารที่เรากินเข้าไปทางปากครับเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่า แต่ถ้าเรามีส่นร่วมในการฆ่าก็เป็นบาปนะครับทีนี้การที่สังคมพุทธที่จริงกับสังคมฮินดูด้วยนะฮะคือคือที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเริ่มมาจากสมัยพระเจ้าอสูกครับเพราะว่ามีการฆ่าสัตว์บ้ากแล้วก็เห็นว่ามันจะเป็นอันตรายต่อภาคเกษตรกรรมเราจะไม่มีสัตว์ใช้ในภาคเกษตรกรรมองค์ก็ออกกฎเขารียกมาคาตะคือห้ามฆ่าครับเป็นกฎหมายนะฮะเป็นกฎ เป็นพระรูมราชวงการแล้วก็เพื่อจะเป็นตัวอย่างภายในวางเองก็ยุติการฆ่าหมดครับก็ทำให้สังคมอินเดียก็ยึดถือแนวเนี้ยต่อมาศา ส, สนาฮินดูมาก่อนเ็าก็ทำบิธีธบูชายาในทาเนี้ยไงคื อ, ค, อคือมันเพิ่งเกิดสมัยพระเจ้าสุขทีนี้ที่ลา ม, มาจนถึงลัทธินิกายหมายาเนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยพศประมาณพันห้าร้อยสมัยพระเจ้าเลี้ยงบุตรเต้ครับ มันก็เกิดปัญหาภาคเษกษตรกรรมเหมือนกันคือคนกินเนื้อสัตว์กันมากไปแล้วไม่มีสัตว์ใช้ในภาคเษกษตรกรรมทําไม่มีปัญหาเพราะงะั้นว่าทํายังไงจึงจะหาอุบายวิธีที่จะให้ชาวบ้านเขาเกิดวินัยขึ้นในตัวเองคแต่ทุกคนก็ศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระของหมหายานก็ช่วยกันแต่งคัมภีร์พิเศษขึ้นมาคมภีหนึ่งเป็นการแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นมังสวิรัตครับแล้วตัวเองก็ทําตัวเป็นตัวอย่าง พอทําตัวเป็นตัวอย่างเข้ามาปรากฏว่ามึงจีนมันหนาวอ่ะครับกินอาหารมื้อเดียวไม่พอเพราะนพระหมาวยาเลยกินข้าวเยน็น <c oughs> <c oughs> กินข้าวเย็นโดยเรียกว่าอาหารมื้อ <c oughs> ที่เป็นยารเรียกว่าอาหารมื้อ <c oughs> ที่เป็นยาครับทีนี้ลทัทธิเหล่าเนี้ยมันก็สืบต่อกันมาสมัยพุทธกาลเองก็มีเทวทัตเคยวางตัวเคร่งครัดขอพรจากพระพุทธเจ้าไม่พระฉันปราฉันเนื้อครับ แล้วก็ต่อมานี่ในาศาสนาฟุตธราเนี่แหละแต่ว่าพวกพราหมณ์เข้ามาปนก็เรียกว่าพวกห่ามอครับคือมัซยะมังซยะคือกินปลากินเนื้อครับแล้วก็เอ่ยยุ่งยุ่งกันหมดเลยงั้นมันมันก็มาทั้งสองสายใ ช, ใช่ไหมฮะเนี่ยมาทั้งสองสายแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะอธิบายครับโดยเขาไม่เข้าใจว่าตัวบาปแต่มันเกิดขึ้นจากกิเลส คำว่าอยากกินมังสวิรัตเนี่ยอยากกินอาหารมังสวิรัตแล้วก็ทําเป็นไข่พะโลทําเป็นเนื้อทําเป็นลูกชิ้นทําเป็นอะไรอะไรสารพัดเนี่ยแสดงว่าเธออยากจะกินคครรัับบมันเป็นงานบริโภคในตัณหาไอตัวตัณหาที่อยากจะกินเนี่ยมันคือบาปแล้วก็ยกตนข่มคนอื่นจึงบาปใหญ่ครับก็วจีก็ทุจริตแล้วเก็ทุจริต วันถ้าจริงก็กินเลยก็ไม่ได้ว่าไรก็ดีข้าวข่าก็ดีที่จริงอะมาอะมาตะเกานําเมตะหวานมาก็สันเฉยเยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่เอาไปพูดหรอกครับขอบคุณครับท่านผู้จัดที่สี่ครับสวัสดีครับถามปด็นกับคุณหลวงพ่อว่าการสวดมนต์ทำวัดชาวัดเย็นนี้จัดเป็นน้ำมิสบูชาหรือเป็นปฏิบัติบูชาครับขอฟังคําิเดียูวนะครับครับผม เอ่อตัวทูบเทียนสักการะบูชาเป็นอามิ t h แต่ว่าเสียงที่เราสวดเนี่ยเราปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นว่าตอนนั้นจิตเราอยู่ด้วยศีลสมาธิปัญญาหมายความมากายเราก็สุสุสจริตวิจิเราก็สุดจริตใจเราก็สุดจริตเพราะเราต้องนึกถึงบทบทบสวดต่างๆก็แสดงว่าอยู่ในครองของศีลสมาธิปัญญาก็เป็นปฏิบัติบูบชาโอาทีนี้ปฏิบัติบูชากับอามิ t h บูชาจริงมันแยกไม่ออกหรอกครับ นะเพราะว่าการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าเป็นฐานวัตถุเมื่อเราปฏิบัติตามก็เป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าครับแล้วก็สิ่งที่เราให้นั้นมันเป็นอมิตรแตเจตนาในการให้เป็นเป็นการปฏิบัติอมันแยกทีเดียมแยกไม่ได้แยกไม่ได้นะแยกทีเดียวแยกไม่ได้เขาปนกันอยู่ะครับครับขอบคุณครับทุกผู้งนีครับศูนย์สองสองสี่หนึ่ง สามสามหนึ่งห้านะครับสอบถามปัญหาธารรมะพระคุณเข้ามาได้นะครับแฟรนรายกไรหลายท่านนะครับโทรมาสับมาที่มหาวิทยาลัยนะครับถามว่าวันที่สี่ธันวาคมทุกปีเนี่ยนะครับเป็นวัน คล้ายวันเกิดของท่านพลเอกเสดีผูก้กำกับนะครับแล้วก็ทางรายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบประทุมเนี่ยนะครับก็ได้ทําซีดีแจกมาเหมือนปีที่แล้วไม้ก็ท่านพลเดอกเสดีนะฮะก็เรียนแฟนรายการทุกท่านนะครับฝากผก ม, มาบอกว่าก็คงจะมีนะครับแต่เป็นซีดีคล้ายๆกับเป็นป้าซีดีปัสกะถาธรรมนะครับแต่ว่าขอความอรุนันนิดนึงว่าหลังจากวันที่4แล้วนะครับเขียนจดหมายเข้ามานะครับแล้วก็เราก็จะเตรียมซีดีไว้แจก เช่นเดียวกันนะครับท่านประเด็กเสรีผมก็ขอบขอบคุณแฟนรายการหลายท่านนะครับโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็บางรายนะครับโทรมาขออวยพรวันเกิดฝากผมมานะครับก็นะครับหลายท่านเลยนะครับฝากขอบคุณท่านประเด็กเสรีซึ่งเป็นเสาหลักของรายการจริงๆนะครับรายการที่จัดได้เพราะท่านประเด็กเสรีนะครับให้นโยบายทุกอย่างแล้วก็นะครับทำทุกอย่างเพื่อแฟนรายการ10ียงจับหาวิทยาเสียงธรรมทุกท่านเลยนะครับสายที่ห้านะครับ สวัสดีครับรายการครับรายการครับครับผมคือผมผมอยากอ่านหนังสือพระรากนะครับครับต้องเริ่มต้นเรยไก่อนทำยไงดีครับผครับแล้วฟังจากที่ี่สามแล้วตอนตอนตอนนี้อ่านอ่านถึงไหนแล้วครับก็คือขับเรื่องไหนใหารเปนเรื่อครับผมครับเดี๋ยวท่านพระเดชพระคุณจะตอบให้นะครับขอบพระคุณมากครับคือคือถ้าโยมจะอ่านเนี่ยนะอ่านเล่มยี่้าไปก่อนครับอ่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดี่แปดไป อ่ไปไปตอนนั้นไปข้าวสาดอกวิมานวัตถุเปรตวัตถุนะคือจากจากยี่สิบห้าไปแล้วที่จริงอ่านจนถึงอภิธรรมได้เลยแล้วก็กลับมามาอ่านที่ที่เล่มเก<ร>้าเล่มเก<ร>้าเล่มส<ร>ิบเล่มส<ร>ิบเอ็ดนะ<ร>ก็อ่านพุทธีกนิกาย<ร>คือถ้าเราไปไปเริ่มที่เล่มยากเนี่ยมันมันจะยากเกิดไป<ร>อย่างสมมุติเราจะไปขึ้นพุทธีกนิกายเล่มเก้าบุกมิชาและสูตรนิยุ่งเอ่ะก็ อ่าเสร็จแล้วเราจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันมีลทัทธิปรามอยู่เยอะใน น, นั้นนะครับอปอนให้เริ่มที่เล่มยี่ห้านะฮะ ค, ค, ครับขอบคุณทุกท่านศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับรายการหลายท่านก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับเอ่อขออนุญาตประชาธิปันเบรอร์โทรศัพท์ของ ศ, ศูนย์เสิมศาสนาหน่อยนะครับศูนย์สองสองแปดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์สองสแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์เสริมศาสนานะครั บ, ศรศพรบเพราะมีแฟนรายการหลายท่านเลยนะครับเอ่อฝากคณะนักเข้ามา บอกว่าช่วยฝากถึงท่านอธิการบรดีมหาวิทยาลัยศรีปรทุมด้วยดิฉันเป็นคู่สูงอายุนะครับได้รับหนังสือได้รับธรรมะจากท่านพระเดชเสรีและท่านอธิการบรดีแล้วรู้สึกขึ้นใจมากอยากจะฝากทําบุญเป็นค่าสถานีนะครับท่นารรนอธิการบรดีกับท่านพนาระเดชเสรีก็ฝากเรียนมานะครับว่าทุกอย่างที่จัดให้นี่เป็นธรรมะบรรณาการจริงๆเลยนะครับก็กทางมหาวิทยาลัยศรีปรทุมรับผิดชอบในเรื่องของค่าสถานีทุกอย่างเลยนะครับเพราะนั้นแล้วก็ นะฮะไม่เป็นไรนะค้ับท่อยากจะทําบุญนะครับศูนย์เสบุญศาสนานะครับท่านที่คุณอาจารย์นะครับก็ศูนย์สองสแปดหนึ่งเก้าห่งูผมขออนุญาตพยัพันะ์นี้ยอยู่ที่วัดบาวานิเวศนะฮะเข้าไปได้เลยนะครับที่ศูนย์เสบุญศาสนานะครับขออนญาตสายที่หกครับผมสวัสดีครับครับเอออยากจะถามปัญหานะฮะคือพระพุทธเจ้าท่านแสดงพระพิธรรมเจ็ดคมพี์นะฮะที้ผมอ่านเจอในหนังสือว่าคาถาวัตถุเนี้ยมันเป็นเป็นบททิศพระเถระ มาแต่งทีหลังถ้างั้นในในพุทธประวัติที่พุทเจ้าแสดงพระวิญญาณเจตคำพีก็แสดงไม่ขอเจตคมภีนนะครับมันเป็นยังไงกันแน่ไอ้ตรงนี้อ๋อครับแล้วของทครับขอบพระคุณมากครับคือคืออภิธรรมที่จัดเป็นเจตคำพีนะมันจัดรุ่นหลังมันจัดรุ่นหลังเมื่อก่อนเขาเรียกอภิธรรมบิดดกเฉยเฉยครับทีนี้กระถาวัตถุนี้พระโมคคิริบุตรท่านยกอาวาทะของพระต่างนิกายขึ้นมาวิพากษ์ หาความเอาไปตั้งเป็นประเด็นแล้วทั้งกวิภาคกวินิจฉัยว่าเป็นความผิดก็รวมทั้งหมดก็มีสองรอกว่าข้อนะฮะครับงั้นในคําว่าเจ็ดคำพีที่จริงมันเป็นคำภีที่พระอนุทุทธาจารย์ได้เรียบเรียงขึ้นที่ปม่าครับโดยเราก็เรียกอภิธรรมเจ็ดคำพีจริงๆไม่ใช่เป็นบทสวดในงานศพอะฮะอภิธรรมเขาเรียกอภิธรรมไวิโดกนะเขาไม่เรียกอภิธรรมเจ็ดคำพีครับผมขอบคุณครับทุกท่านครับสายที่เจ็ดครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสอบถามได้เลยครับเอ่การสรวดมลจะจําเป็นหรือเปล่าที่จะตวจทุกวันหรือเย็นวันหรือเป็นเดือนเป็นนี่ควรตรวจทิ้งครับครับต้องต้องสรวจเป็นประจำหรือเปล่าหรือว่าเว้นบ้างไม่ไม่เว้นบ้างอะไรพวกนี้นะครับครับผมครับแล้วฟังทางพิจิตนะครับครับผมขอบพระคุณครับมันมันก็เหมือนการหายใจอากาศไปสุดนะโยมก็กจะจะแก้แค่พระถาม ครับ <N> นะอ <N> ่ก็คือ ค, คือหมายความว่าถ้าเราสวดบ่อยๆก็ได้ก็ดีแต่ไม่ควรจะไปยึดติดรูปแบบแล้วสวดที่ไหนก็ได้ครับอนะ่ไอ้ส่วนพิธีในในโบสถ์ตอนธรรมชาติธรรมเย็นนั้นก็คือรูปแบบพิธีกรรมแต่ถ้าเราไม่พร้อมเราก็สวดทิกติกันเราครับอนะ่าบางทีเราไม่ว่างเวลานั้นเราก็สวดทิกติครั บ, ค, รบคือมันเป็นการเจริญกุศลเป็นการก็เรียกว่าสาธยายสาธยายพะสูตรนะสาธยายรรพระบาลี กายเราก็สุจริตวิจีก็สุดจริตมโนเราก็สุดจริตนะเพราะ ง, งั้นวันหนึ่งถ้าเราสวดมนต์ได้สามสิบนาทีเราก็สุดจริตอยู่ได้สามสิบนาทีอะมันเป็นคุณภาพจิตที่สะสมเป็นรูปบา ร, รมีธรรมอยู่ภายในจิตเราครับอนะนะ่แล้วก็ในที่สุดมันดึงจิตเข้าหาความสงบได้ง่ายมันนะมันมีต้นทุนอยู่ครับนะมันไม่ใช่เล่นเป็ดปีก ป, ปีจะสวดได้เกิดที่จริงถ้าสวดได้บ่อยๆก็ดีนะครับสวดเช้าสุดเย็นแล้วก็ ว่างตรงไหนก็น er no, right. well. ั่งสมาธิทําจิตให้สงบตั้งสติระลึกถึงอะไรก็ได้พุทธคุณธรรมคุณสังคุณครับือจิตอยู่เราก็สนุกกันฟึกง่ายนะคือสวดไม่สวดไม่ได้แปลกอะไรเลยหรอกตลาดทองขอบคุณครับที่คุณจ้งสายที่แปดครับสวัสดีครับโครับสวัสดีครับครับรบกวนสอบถามได้เลยครับกลับนรัสกาลหลวงพ่อครับฮัลโหลครับเชิญสอบถามได้เลยครับเอออยากจะทราบคำว่า เจริญพรนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมก็ถามกันมากแล้วจนจนผมไม่ทถามพระหลวงตาพระหลวงตาเขาไม่รู้นะครับว่าคําว่าเจริญพรนี่แปลว่าอะไรครับครับผมมีคำถามเดียวนะครับครับผมสับฟังทางวิทยุนะครับขอบคุณครับคือเป็นการเป็นสัพพนามที่พระใช้สื่อสารกโยมอ่าคำว่าเจริญพรคือเมื่อก่อนเนี่ยสมัยสมัยพุทธกาลอย่างพระพระยุลปัญทรกัลเป็นพระอาจารเนี่ย ท่านบอกว่ า, าที่คายยโกโฮตุสุกิโตโฮตุให้มีอายุยืนและมีความสุขทีนี้จเจริญพรก็ขอให้โยมจเจริญด้วยพรสี่ประการเกิดออยุวันนะสุขะพรสี่ประการนะจะตุร จ, จะตุรพิตพอน่ะแต่ทีนี้ก็เราไม่ให้ยาวใช่ไหมก็ใช้ับว่าจเจริญพรนนพูดให้เป็นสิริมงคลเป็นคำเรียกเพื่อให้เกิดสิริมงคล ก็หมายความมาให้โยมเนี่ยเจริญพรเจริญด้วยพรเจริญอุวยพรบาระเนี่ยก็คือสิ่งประเสริฐอ่ะอ๋อเป็นเป็นฝึกให้แก้ากัใช้กุศลและเจตนาครับเป็นกุศลและเจตนาครับทักที่คุณจ่ายทับสายที่เก้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับครับสมาชิกบานบริการพร้อมคุณยา้าหญ่ใจแจ็คภาพอย่างนี้นะฮะ อาจจะข้าว่าพูดทําบุญหรือพูดปฏิบัติธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะครับครับแล้วก็หมายถึงไปทําบุญจะเกิดบุญกุศลไหมครับอ๋อครับผมกลับับฟังทางวิชยุนะครับครับครับสวัสดีครับคือบุญในการกระทําอันใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงบระงับลงของกิเลส เป็นการเพิ่มขึ้นแห่งธรรมะการกระทำนั้นเรียกว่าบุญเพราะนบุญส่วนเหตุก็คือการชำระล้างความชั่วบุญส่วนผลก็คือความสุขความสงบความเยือกเย็นที่จิตเราได้สัมผัสบ้างน้อยไม่รู้นะฮะเพราะงั้นการที่โยมถามเนี่ยก็เป็นการทําบุญอยู่แล้วนะเป็นตอนเดินไปเนี่ยก็ถือเป็นว ย, ยาวัรจมยัยนะบุญที่เกิดขึ้นโดยการช่วยเหลือกวนขวายในกิจการงานที่ชอบไปถึงก็ทําอะไรให้ทานรักษาศีล แต่ว่าอย่าไปติดใจสถานที่นะฮะครับคือบุญเนี่ยมาอยู่ที่จิตกิเลสก็อยู่ที่จิตครับเราก็ทําจิตให้มีธรรมะมันก็เกิดบุญขึ้นทุกขณะที่ธรรมะเกิดที่จิตครับแล้วมันเกิดบาปขึ้นทุกขณะที่อกุศลเกิด ข, ขึ้นที่จิตอะาไอจริงจมันก็ต่อสู้กันอยู่ภายในจิตนี่แหละ ร, ระหว่างบุญกับบาปเนี่ยต่อสู้กันอยู่โอ้ทำยังไงมาให้กิเลสมันลดลงและธรรมะมันอยู่ได้นานๆครับอะเพราะงั้น พระพุทเจ้าจึงสอนประสอนเรื่องธรรมะในอบรมนะกระทาให้มากกระทาบ่อยๆกระทาให้เป็นที่พำนักอาศัยของจิตหรือให้จิตอยู่ธรรมะเรียกว่ามีธรรมะครนะมีเมตตามีกรุณามีความขยันมีความกตัญญูมีสติมีสามัญญาเห็นไหมใช่ธรรมะใ ช, ใช่คำว่ามีหมดเลยครัในนี้ก็จะทำยังไงว่าทำมันมีมีอยู่กับจิตเรานั่นแหละมันไม่ไม่ต้องไปวัดก็ได้ ไปกันมากๆากบางทีวัดไม่มีไม่มีบรรจุคนคือยาเวทีในรูปแบบนะหยุบเวรนี้มันต้องใช้ต้องใช้เอาเนื้อหาจริงๆของศาสนาครับขอบคุณเจะาพนักงานครับสายที่สิบครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสอบถามได้เลยครับแบบรบกวนรีบวิญทางบ้านหน่อยนะครับครับสอบถามได้เลยครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับสอบถามได้เลยครับเอ่อถ้าผมขอสอบถามว่าเอ่อถ้าผมเคยเคยดูเทปที่อาจารย์องค์หนึ่งนะฮะเอ่อเขาอัดเทปแล้วเขาส่งออกมาเอ่อส่งส่งออกอส่งออกมานะครับครับผก็เคยดูเขาบอกว่าการทําบุญก็ให้ทําบุญกับเอพระพุทธเจ้าหรือว่าพระที่สําเร็จแล้วนะครับครับแต่ทีนี้การทําบุญของ พวกยอมๆทั้งหลายที่ทําอยู่เดี๋ยวเนี้ไปทําตามวัดนะครับคือไปทําตามวัดแล้วก็ไม่ทราบว่าพระนั่นะสําเร็จหรือเปล่าอยากจะทราบว่าการทําบุญของเราเนี่ยที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยจะได้บุญไหมครับเออครับผมเออเป็นข้อที่หนึ่งนะครับครับครับกับข้อที่หนึ่งครับเราขอขอกราบเรียนถามข้อข้อสองเพื่นะครับครับว่าไงครับพ้อที่สองเขาบอกว่าการทําบุญสร้างพระหรือสร้างสลาสร้างโบสถ ไม่มีการได้บุญได้บุญศรสร้างก็เสียเปล่าเขาบอกอย่างนี้นะครับครับขอการเดินถามแค่สองข้อนะครับได้ครับครับผมรู้สึกว่าหลวงพ่อจะเจะาุ้งสา้นมากนะฟุ้งสั้นมากเลยครับทั้งทั้งทั้งสองเรื่องนั่นแหละท่านสอนอย่างนั้นแสดงว่าฟุ้งสั้นมากครับจที่ความที่สําเร็จอย่างเดียวนี่คือการพูกระดับพานเนี่ยนะฮะครับท่านครับพระเจ้าเรียงขึ้นไปสิบสี่ระดับครับสิบสี่ระดับตั้งแต่ว่าสัตว์ สมมติว่าไอสัตว์เล็กๆี่มันติดขังอยู่ในน้ําก็มังแห้งในเราน้ําเทลงไปมันก็ได้บุญแล้วนะมันก็ข<ด>ึ้นไปเรื่อยๆมันเกิดด้วยกุศลและเจตนาต่อสัตว์เหล่านั้นแสดงว่าพระองค์นั้นกำลังอวดตัวเองว่งจาจะเป็นตัวเองเป็นพระอราหารนันต์เพื่อขอทําบุญกับตัวเองครับ นะเราแสดงว่าอาการไม่ปกติแล้โยมอย่าไปสนใจสนใจมากแหมสร้างบทฟไงพูดก็รู้แล้วนักบุญก็ไม่ได้บุญนิแย่เลยต้องสร้างสำนักให้เขาด้วยมาฟังรู้นะฮะสำนักไหนพูดนี่รู้คนนิสัยก็เป็นอย่างนั้นนะฮะครับคืออวดรู้ไปหมดเลยครับจิงไปหมดไม่ต้องอ่านอะไรรู้หมดครับอวดอุตรีมรู้จะทำยังไม่รู้สึกตัวนะแล้วจะไปหลอกลวงชาวบ้านไปอีกครับกรรมนะครับเอ่อ คือการสร้างเสนาสนะนี่ถือว่าเป็นการให้ทุกอย่างครับนะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าสมมุติว่าเราปลูกต้นไม้เราสร้างถน น, นเรากุดสะน้ำในสาธารณสถ า, านทั้งหลายเนี่ยมันเกิดบุญตลอดระยะเวลาที่มีการใช้สถ า, านที่เหล่านั้นครับนันคือจับหลักไว้ว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากเนี่ยบุญมันจะเกิดมาก อ๋อ oh, ครับมันบุญจะเกิดขึ้นจากคนทําไม่ใช่จบตรงนั้นซึ่งผิดกับการให้ทานการให้ทานก็จบกระจบไปเลยครับ oh. ใช่ไหมนอกนั้นก็จะเป็นผลของทานในคราวนั้นแหละมีเท่าไหรก่ก็ติดตามเราไปอ oh. แต่ว่าบุญที่เกิดขึ้นจากการสร้างเสนาสนะนี่มันเป็นเกิดบุญทุกขณะที่มีการใช้สถานที่เหล่านั้น oh, ใช่ัหมแล้วก็ลูกหลานเราไปเห็นข้าวเนี่ยโบสเนี่ยพ่อเราสร้าง กกเห็นปั๊บแกเกิดปีติแกเกิดบุญนะเห<า>็นนะเกิดอนุโมทนาเกิด<า>ชื่นชมยินดีแล้วก็เกิดดึงจิตเข้ามาเออวัดนี้พ่อเราบำรุงมาเราก็ดูแลวัดต่อ<า>นะมันก็กลายเป็นสืบสารความดีจากบรรพบุรุษค<อ>วันเทพเหล่านั้นยมยอมยอมอย่าไปฟังเลย <c oughs> แสดงว่าผิดปกติมากแล้วองนั้นนะขอบคุณเจ้าอาวาสมานเลยครับสายที่สิบเอ็ดครับสวัสดีครับครับผม ออกกรครับรบกวนพูดดังๆนิดหนึ่งนะครับครับผมมาสักการณ์นะคุณเจ้าและสวัสดีอาจารย์นะคะเจ้าสวัสดีครับค่ะคือคือจะเรียนถามเนี่ยเพราะว่าดิฉันน่าสับส น, นะค่ะคือว่าในการจเจริญสติปัจจฐานสีนะคะในในหมวดกายาในปัสจฐานเนี่ยอเออเราจะดูที่ขนผมเล็บันหนังอะไ ร, ะระมันเหลืองดีอะไรต่างนี่นะคะหรือว่า เราจะดูที่โลกที่นามเจ้าคะครับผมครับเราฟังทางวิทยุนะครับขอบพระคุณมากครับการเจริญใจคือเป็นการเสนอให้เลือกโยมเราถนัดตรงไหนล่ะโอถนัดเราถนัดตรงไหนทําตรงไหนและจิตมันตั้งมั่นได้เร็วเราก็ทําตรงนั้นครับทีนี้เมื่อเรานิ่งสักจุดเนี่ยอย่างอื่นมันก็ไปเองเพราะว่า พอพอพอจิตเราสงบปัญญาม่อเกิดปัญญามองเกิดญญก็กดกยกพวกนี้ขึ้นมาพวกนี้กลายเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นนามารูปเดี๋ยวพิจารณาในแง่ของความปฏิกลลรูนอะไรต่างๆก็ว่า ก, กันไปแต่ว่าจริ ง, รงๆนี่เราเริ่มตรงไหนก็ได้สักแข่งหนึ่งอะ่ะมันเหมือนกับเราฝึกสมมติเราฝึก เ, เตะฟุต บ, บอลอย่างเงีย้ย ใช่มเอาสนามไหนตะแข่งนึ่งฝึกก็ได้แล้วคุณก็เตะได้ทั่วโลกนั่นแหละองค์ธรรมในมหาสติปัฏฐานสูตรเด่นที่ยิงเขายึดโยงกันสรุปแล้วเป็นนามรูปแต่ น, นั้นเองไม่มีอะไรหลรอกแล้วก็สรุปรวมที่อริยสัจทั้งสี่ในความเป็นอริยสัจทั้งสนะี่น่ะถ้าเราปฏิบัติที่ตัวสติปัฏฐานมันก็เป็นมรครคสับใช่ไหมทีนี้เมื่อสติมันเกิดก็แสดงว่าพวกสมุทัยมันก็ดบับ มันก็ลดลงไปความทุกข์มันก็ลดลงไปความสบายมันก็เกิดมันก็เป็นอริยศาสตร์ทีนี้เวลาเวลาเราออกมาพูดมาสอนในี่คล้ายๆก็ต้องตายคือการไต่เนี่ยมันเป็นการดูจิตว่าสมมติว่าเราเราเราดูลมหายใจเข้าออกนะะลมหายใจเข้าออกสมมติว่าลมหายใจเข้าออกมันแผ่วหรือมันหายไปเลยเขาเรียวกว่ากายสังขารมันสงบก็ดูที่ตัวสงบมัน แต่เนี่ยดูจนมันกว่าปรากฏตัวลมมันเกิดเกิดขึ้นมาแล้วก็หรือว่าเกิดปีติก็ดูที่ปีติก็มันแสดงว่าจิตมันข้างไปที่เวทนาจิตมันไปมันเองนะมันหมายความมันคล้ายๆกับเราเราอะไรเราขับรถอ่ขับรถดูถนนนนทางเราก็ดูไปเรื่อยๆแต่พอเห็นมันต่างไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้ายังขับไม่ถึงตรงนั้นก็อย่าไปดูมันดูเฉพาะ่เจอเห็นครับผมครับขรบคุณเจ้ากลุ่าแจกข้อความที่สิบสองครับสวัสดีครับ ครับเพรากับอัลลาฮ์นเรียนสถามสองข้อนะครับเมื่อกี้ที่เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญนั่นฮะคือมีคนเป็นอันมากที่เข้าใจผิดในเรื่องการทําบุญก็คือว่าอาได้เรียนอทราบกันมา ว, ว่าอันดับบุญเนี่ยเป็นจิริยาวัตถุนะเมื่อทำไมเข้าใจไม่เข้าใจว่าทําไมต้องลงว่าวัตถุ คนก็เลยไปเข้าใจว่าจะต้องโอโหบริจาคต้องทําให้ซื้อวัตถุบริจาคไปอย่างนั้นครับครับเนะข้อหนึ่งนะครับข้อสองเลยครับข้อสองครับเอ่าอันนี้จะว่าจะไม่เกี่ยวกับศาสนาก็จะเกี่ยวนะครับสมัยรุ่นการนั้นเคยอ่าลูกเรืองในดินแดนอัสการนิษฐานอัสกานิษฐานอูเบกิษฐานอะไรพวกนี้ไอย่างนี้นะครับครับแต่ทําไมเวลานี้ผมว่าดัดเสรีมากฮะที่ ไปเรียกภูฐานนี่แหละครับเป็นภูตาลแม่ผมไม่เข้าใจนะผมทำไมเขาเรียนไปอย่างนันนะขอกราบเรียนไปกันนะครับเขอบคุณมากครับสวัสดีครับกิริยาวัตถุเขาจะควรจะไปลงท้ายด้วยวัตถุมันไม่ใช่วัตถุแปลว่าที่ตั้งให้เกิดบุญอที่ที่วัตถุอันเป็นที่ตั้งให้เกิดบุญครับนะแล้วมันก็มีหมดแหละในนั้นอะ ที่จริงมันสรุปแล้วก็คือทานศีลภาวนานั่นแหละมันมีแค่สามอย่างแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยพระตถ า, าจารย์ท่านขยายออกไปแล้วไม่ใช่ท่านขยายเองครับคือหมายความว่าท่านเอาปริยายในที่อื่นที่พระเจ้าทรงแสดงเฉพาะกลุ่มเป้าหมายในบางกลุ่มครับนะบางกลุ่มนี่สอนอย่างอื่นเขาไม่ได้เอาไปช่วยเหลือสาธารณกุศลก็แล้วกันนะตรงนี้ท่านเรียกว่าว ย, ยาวัจหมาบุญครับมันก็แสดงว่าเรามีน้ําใจต่อคน เรามีน้ําใจเสียสละมันก็เกิดบุญอครับมันมันคือเราเราไม่พยายามเข้าใจคําว่าวัตถุเองครับวัตถุนั้นพระเจ้าเรียกนะพระเจ้าเรียกไม่ใช่ว่าเราเรียกกันเองอ๋ครับผมก็แปลว่าวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งบุญหรือว่าเป็นวัตถุให้เกิดบุญครับมันก็คล้ายๆกับพื้นที่ที่เป็นเหตุให้เกิดต้นไม้ออ่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นเหตุให้เกิดบ้านครับ แต่ไม่มีพื้นที่มันก็บ้านมันก็เกิดไม่ได้ค้อที่สองผู้ฐานผู้ฐานนี่ไม่ใช่คือเขาเรียกตามเสียงเจ้าถิ่นเขาจริงๆริงอ๋อเรียกตามถิ่นเจ้าถิ่นครับคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเรียกตามลิ้นเราครับท่านครับแท้ๆก็เรียกพม่าเนี่ยเขาไม่เรียกพม่าเขาเรียกเมียนมาเมียนมาครับท่านครับครับทีนี้เวลาเนี้ยเราก็ไปคล้อยตามขาวมันไม่ได้เขาไม่ได้ผิดหรอก เขาเรียกตามเสียงเจ้าถิ่นจริงๆที่เขาเรียกครับหรือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เขียนหนังสือลอกกันไปลอกกันมาัลอกกันมาอย่างตามกระฐานเนี่ยมันมันก็ตัวต่อประตักกตัวต่อถอนกระถานกรับทีนี้มันเวลาเนี่ยเขาเขาพยายามล้อเสียงจริงๆของเขาออกมาโอครับครับอ่มันเหมือนกับเขาเรียกแปรริดแปรริดอะไรนี่แปรริด คือเขาไม่ผิดหรอกรที่จริงเขาเรียกเสียงคือเมื่อก่อนเนี่ยมันเหมือนกับประปาย่เง่เราเรียกด้วยภาษาเราแต่จริงรจริงเขาไม่ได้เรียกอย่างนั้นแต่เราเราเรานายหันตแตรอะไรเ <c oughs> บบี้คือมันมันที่จริงเราผิดคใช่ไหมเราผิดตามโบราณท่านมันไม่ใช่ไม่ใช่คนสมัยนี้ก็ผิดหรอกรเราผิดจนนึกว่าเราถูก <c oughs> พอเขาทําไม่ตรงกับเราใกล้ๆกับสมุทรสอนแห่งหนึ่งครับ ผู้จัดการซื้อเหล้าเทือนมาไม่ใช่ก็เหล้าเถือนเหล้าปลอมไม่ขงปลอมเนี่ยมาขายตั้งแต่เปิดสโ ม, มสรคนมสมาชิกทุกคนที่เข้าไปดื่มเหล้าที่นั้นก็ดื่มแม่ขงปลอมมาจนติดนึกว่าแม่ขงจริงครับต่อมาเปลี่ยนผู้จัดการ ผู้การเข้าไปซื้อมาของจริงเข้ามาประกวดระโดนสมาชิกประท้วงว่ามันปลอมคือปลอมจะเป็นจริงนะฮะแล้ทำให้จริงเป็นปลอมอ๋อต่อไนี้็อย่างนั้นนะครับขอบคุณที่กรจัยมากครับสายที่13าครับสวัสดีครับ จะเรียนสามเกี่ยวเรื่องทําความดีว่ามันไม่สูญหายไปจากโลกมันจริงหรือเปล่าครับเราลบลูกกลุ่มผู้ด่ังอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องความดีครับที่ว่ามันไม่สูญหายไปจากโลกนะฮะครับผมคิดว่ามันมันน่าจะน่าคิดนะฮะเพราะว่าอะไรล่ะครับเพราะว่าุขนาดพ่อแม่ทําเนี่ยบางคนก็ลืมไปเลยอย่าว่าแต่ปู่ย่าตายายเราเลยเราก็ลืมไปหมดแล้วอะครับเพราะฉะนั้นมันที่เหลืออยู่ที่ไอ้โครงกลสุขภาพไว้โครงกลสุขภาพทุกวันเนี่ยประชาชนที่วังวายอะไรนั่นนะฮะครับที่สอนตั้งเรียอยู่ทุกวันนี้ครับผมก็จะ คนที่ทําฟันดีผมว่าลุ้นแผ่นดินแต่มีไม่กี่คนครับที่จ่าเรื่องเอาไว้นะะอ๋อพูดอย่างนี้ของความจานะครับรับฟังทางวิทยุนะครับครับคบ ค, คือยอมพูดกุลบประเด็น <c oughs> ลบปเด <c oughs> <c oughs> คือความดีมันอยู่ที่จิตคนคนนั้นแหละคนที่ทําำ ม, มาแหละครับก็สิทสถิตทั่วแต่ชั่วดีคือสถิตอยู่ที่จิตเขาอะรประดับไว้ในโลกาก็เกียรติภูมิต่างๆเนี่ยมันก็ประดับแต่คนเห็นหรือไม่เห็นมันอีกเรื่องหนึ่งครับ นะฮะเราจะเห็นว่าเช่นเช่นสมมติว่าพระเจ้าตากศีลอย่างนี้ยุคแรกๆเขาก็ลืมไปแล้วนะยุคมาก็ฟื้นขึ้นมาที่จะให้คนจาได้หมดเดี๋ยวมันต้องเด่นมากครับแต่ว่าในแวดวงในเชื้อสายวงจตระกูลเขาเขาก็กรู้รน <ะ S 1> ัฮะคือมันไม่ผิดหรอกเขาก็พูดถูกกันแหละแล้วพูดถูกเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นชีพพึ่งนะ พ ร, ระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายผู้บำเพ็ญบุญทั้งในโลกนี้แอในโลกอื่นเพราะฉะนั้นประดับจริงๆคือประดับจิตคนแต่ละคนอะ่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นความดีนะที่โลกได้รับรู้ต่อยลืมมนุษย์มันลืมอะ่ะ ลืมจำเรื่องเรื่องเรื่องเป็นอันมากที่ไม่มีการจดใจไว้แล้วไม่มีใครไปรับรู้อะไรคนมันเป็นโลกเป็นตั้งพันล้านหกพันล้านอะไรจะไปรู้ได้ครับแต่เขาก็อยู่ในจุดของเขาอ่ะครับวงศาคณะเขาก็รู้กันใช่แต่ว่ามาถึงจุดหนึ่งเขาก็ลืมไปครับคนก็ต่อไม่ทันมันมันโลกมันนานแล้วนะฮะอย่าไปซีเรียสขนาดนั้นขอบคุณเจ้าหนุจากตำสายที่สิบสี่ครับสวัสดีครับนรมากประการพระเดชพรคุณหลวงพ่อ ตอนนี้ชาวพุทธทางาาภาคใต้ถูกกลุ้มลามอย่างหนักเลยฆ่าแจกันอย่างคันโหดเนี่ยจะมีวิธีการแก้ไขได้ไงกรธไอการฝึกเกิดแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้เหรอพ่อเด็กทุกคนช่วยชี้แจงหน่อยครับครับผมขอบคุณครับคือถ้ า, ถ, าถ้าพูดถึงให้ชี้แจงในที่จริงมันก็ฆ่าทั้งพุทธทั้งอิสลามนะฮะแล้วพิสเราไม่รู้ข่าวเราคิสก็มีน้อยนะครับ เออคนจีนก็โดนนะฮะไทยจีนก็โดนคือสรุปว่าเป็นผู้ผู้ก่อการร้ายคือวิธีการแก้ปัญหานี่เอามายังมองว่ายุทธศาสตร์ที่ในหลวงสรงประธานนั่นแหละคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแต่ว่าที่เราพูดเนี่ยเราพยายามให้คนไทยพุทธเนี่ยเข้าใจคนอิสลามอย่างเดียวซึ่งมันไม่มีทางที่จะทำได้เพราะคำว่าเข้าใจกระหว่างคนกับคนเนี่ยคือต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน หัวกับเมียท่านั้นเองไม่ต้องเอามากหรอกคนสองคนเนี่ยท่าไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็บ้านแตกแล้วไม่ต้องนับว่าคนที่ที่นับถือศาสนาต่างกันภาษาต่างกันวัฒนธรรมต่างกันเผ่าพันธุ์ต่างกันขนาดนั้นหรอกครับเพราะมันต้องเข้าใจศาสนาซึ่งกันและกันเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันเข้าใจภาษาของกันและกันของกันและกันครับหมายความว่าเด็กตรงนั้นแหละต้องเรียน ภาษาสามภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเยาวีครับทุกคนไม่ยกเว้นออกกฎหมายพูดกันให้ทุกเรื่องแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เรียนศาสนาสองศาสนาไพรพุทธเด็กพุทธก็เรียนอิสลามเด็กอิสลามก็ต้องเรียนพุทธด้วยครับแล้วในขณะเดียวกันก็เรียนภาษาสามภาษาอย่างที่ว่าเรียนวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมพุทธกับวัฒนธรรมที่มีฐานมาจากพุทธวัฒนธรรมที่มีฐานมาจากอิสลามและวัฒนธรรมรวม ครับที่เป็นของไทยล้วนๆนะฮะซึ่งมันมันเกิดมาจากพ้องถิ่นนั้นนั่นแหละครับแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าไปถึงจริงๆเพราะว่าแม้แต่คําคําเดียวเนี่ยเช่นเช่นสมมติว่เนี่ยสมมติว่าเราจะส่งของให้เขาเนี่ยครับคือคนบางพวกเนี่ยส่งมีดเนี่ยถ้าส่งเอาปลายเข้าเนี่ยคือว่าท้าเขานะโอเห็นไหมเหมือนจะแทงเขาข อ, ของเราเนี่ยเห็นไหมเราส่งเนี่ยเราส่งเอาด้ามเข้า ใช่ครับแต่ถามว่าเอาเอาปลายข้าวใดมั้ยเขาก็ไม่ไหอะไรครับนะเราไม่ถือแต่ว่าบางแห่งไม่ได้ถ <ขอ S 2> ือครับนะบางแห่งถือบาสใช่ไหมฮะอย่าตบบากระนือเลิกกันเลยครับคือมันมันไ <laughs> อาการเข้าถึงมันต้องลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นจะให้คนไทยไปเรียนภาษายาวีเพื่อติดต่อกับเขาได้เนี่ยความคิดยางเชยครับมันคิดยางเช ย, ม ย, เชยไม่เข้าใจมนุษย์ มันต้องเข้าใจมนุษย์บ่มนุษย์มันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันคุณไม่ต้องคิดคุณอยู่ที่บ้านคุณนั่นแหละเพราะแม่ลูกต้องเข้าใจซึ่งกันและกันอืถ้าให้เข้าใจคนใดคนหนึ่งเข้าใจแล้วคนหนึ่งไม่ยอมเข้าใจนี่เลิกครับแล้วก็คือมันเกิดความไม่เข้าใจอย่างที่ที่ที่เราว่ามันเลยก็ก็เกิดปัญหาซ้ําครับเราจะไปรู้ลึกซึ้งได้อย่างไงครับนอกจากว่าเรียนด้วยกันแล้วก็ข้องใจก็คุยด้วยกัน แล้วก็เด็กเราเนี้ยสิบกว่าปีเนี่ยอาจารย์นึกดูกว่าสิบกว่าปีเธอจะเป็นเพื่อนกันใช่ครับแล้วในระยะเวลาสิบ ป, ปีเนี่ยคนเข้าสู่ระบบการศึกษาจนถึ ง, ยยถงหมหกกี่คนอ้โครับใช่ไหครับอีสักสามสองสามชั่วคนก็ไปหายไปแล้ว ค, คนค่อนค่อนสามจังหวัดภาคใต้ไปแล้ว ค, คนไกลๆก็ท้ายไปใช่ไหมคนเหล่านั้นก็เด็กรุ่นใหม่คือเพื่อนกันครับมันต้องสร้างอย่างงั้นครับ หรือว่าคิดเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าคมนะฮะแต่ว่าแผนเขาเรียกว่าเป็นแผนแผนเซียนเหยียบเมฆ ถ, ถือว่าเก่งมากแต่ว่าบริหารให้เป็นทำให้บริหารเป็นโดนต่อต้านนะครับ อ้าวฟัครับขอบคุณครับศูนย์สองสองสี่หนึ่งสามสามหนึ่งห้านะครับขอญาติไปถาพันนิดหนึ่งนะครับรายการหลายท่านที่โทรมาถามผมนะครับบอกว่าจะขอซีดีธรรมะต่างๆที่แจกนะครับในวันเกิดของท่านพลเด็กเสรีนะครับในการวันค้ายวันเกิดวันที่สี่นะครับขออุปไว้ก่อนนะครับเป็นสิ่งอะไรแต่ว่าเอางี้ดีกว่านะครับจดหมายมาที่รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมหกสิบเอ็ดประหลโยธินจตุจักรกรุงเทพหนึ่งศูนย์เก้าศูนศย์นะครับ รับรองครับเดี๋ยววันสี่วันวันวันที่สธันวาผมจะบอกให้นะครับว่าเราแจกอะไรบ้างนะครับในวันคล้ายวัเกของท่านพระเดชเสลีหกสิเอดโทนโยทินจตุจักรกรุงเทพหน0่งศนะครับขอเป็นจุดหมายดีกว่านะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนะครับเอ่อบางครั้งไม่มีอะไระไม่มีไม่สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ก็เสียโอกาสนะครับพอดีของที่เราแจกมันมีจํานวนจํากัดเลยนะครับสายต่อไปสายที่สิบห้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ คืออย่างนี้นะฮะถ้าเกิดคุณนั่งทานเล่าแล้วก็ฟังธรรมะนี่ฮะจะได้บุญได้อันนี้สมอะไรไหมครับครับผมตอนตอนตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ได้ทานอยู่นะครับอไม่ทานแล้วครับไนั่งฟังอย่าฮะกาวขอบคุณมากครับแล้วฝากต่างวิธีนะครับครับผมครับผม คือถ้าฟังด้วยกุศลและเจตนานะฮะโยมคือดื่มล้ามันก็เป็นอบาัยามุขกิดสินข้ อ, ข, อข้อที่ห้าไปแต่ความณนะ์ความธรรมะมันก็เป็นธรรมะสนามายัยมันก็แยกกันให้ผลครับนะเมือนก็โยมรับประทานอาหารเนี่ยนะโยมเจออาหารบูดมันก็ทำริษของมันอาหารดีมันก็ทําคุณของมันอข้าไป<ย>อยู่ในท้องเราก็แยกกันให้ผลครับฉะนั้นเวล า, า, า, าเราเรานั่งนั่งดื่มล้าคฟังควังเทศก็ ด, กดีกว่าพูดเรื่อง เรื่องเรื่องรายสาระนะครับอครับยังไงก็ดีกว่าครับผมน้อบผ่าครับขอบคุณเจ้ากุญแจนะครับ022413315นะครับสอบถามเข้ามาได้ครับสายที่16ครับสวัสดีครับครับผมขอถามไปครับครับเกิดอะไรครับว่าที่ทำบุญน่ะเนไรครับผมแล้วก็จํำภาษามาสองภาษาเจ้าจะยังรู้ รูดีไม่ใครควรครับว่าตรวจน้ําเนี่ยมัต้องเอ่ยน้าพระคุณน่าจะจะได้ไหมะมีปัญหาเรื่องการตรวจน้ําครับผมครับผมรับฟังจางวิธยุนะครับคครับขอบคุณครับไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะโยมคือที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเอเนี่ยด้วยผลแห่งทานนี้จงขอผลแห่งทานนี้จึงถึงแก่ข้าไปญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายขอญาตทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขเท่านั้นเอง ก็ใช้คำว่ายาดนางโวยาตินางโหดตูสุกิตาโหดตูยาตโยท่านนั้นเองครับบรรทัดเดียวที่พระพุทธเจ้าว่าที่ที่ยาวๆเนี่ยว่ากันทีหลังนะว่าทีหลังนะครับพระพุทธเจ้าว่าไม่ได้ยาวหรอกครับสมเอ็จประโยชน์ครับสมเอ็จประโยชน์ครับขอบคุณจับซูลสองสองสี่หนึ่งสามสมหนึ่งห้าครับที่คุยเจนครับแฟนรายการฝากผมถามว่าเอเขาต่อต้านกันเรื่อง เล่าเรื่องอไหลพวกนี้นะครับท่านครูอาจารย์ครับเรื่องการโฆษณาเล่าโฆษณาอะไรพวกนี้ฟแฟอรายการบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าผมทําโรงงานสุราอยู่อย่างนี้ผมบาปกรรมหรือเปล่าครับแล้วก็การที่จะไม่ให้เมืองไทยมีเล่าเลยอะไรเลยทําได้หรือไม่ครับท่านครูอาจารย์ครับจะถูกคื อ, ค, อคือเรื่องเหล่านี้นะครับผมมันเป็นธรรมชาติของโลกครับคือเราต้องเข้าใจมนุษย์อ่ะครับมนุษย์เนี่ยอย่าห้ามครับแต่ให้เขาเห็นครับ ให้เขาเห็นโทษแล้วเขาค่อยถอยห่างเองอนะเราอธิบายโทษของปร่องภูเขาไฟแล้วคนก็ไม่เข้าไปเที่ยวเองครับภูเขาไฟมันอยู่ตรงนั้นแหละเราไปยกเลิกไม่ได้ครับเพราะงั้น ไอ้เล่าเลยม ม, ม, มันมันมีสิแต่ว่าไอ้คนที่ผิดแล้มันก็บาปไปเป็นมิจฉาชีพครับเป็นมิจฉาวันนะมิจฉ า, าเป็นการค้าขายเครื่องเมาเป็การเลี้ยงชีพเครื่องเมาคนอุบาลศกเขาไม่ทําครับแต่ก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีพมันกระศีนข้อที่สองก็บกพร่องไปครับแต่ว่าการวิธีการมนุษย์เนี่ยข้อสาคัญอย่าห้ามครับอาจารย์นึกถึงเรื่องสังข์ทองไหม ที่นางพันธุรัฐห้ามพระสังไม่ไปที่นั้นตันั้นตันต้น<อ>ั้นแล้วก็มีถึงจุดหนึ่งว่าบอ่อน้ําซ้ายขวาพ่ออย่าจรหอข้างหัวนอนพ่ออย่าไปตรงอื่นอนุญาตหมดครับพระสังไม่ไปพ่อชองแหง่งนี้ตรงแห่งนี้ <c ười> คือมนุษย์อย่าห้ามครับถ้าห้ามแล้วก็เรียกว่ายิงย่งยิ่งห้ามยิย่งยุกยี่งห้ามยิ่งยุกครับยกตัวอย่างง่ายๆว่าภาพยนตร์ที่ถูกแบนนั่นแหละคือรวยแล้วสังคมก็ไม่รู้เรื่องก็คือคือไม่เข้าใจมนุษย์อ่ะครับ ทำไมเหรอคุณใช้วิธีการนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้คุณสอนหลักสูตรในโรงเรียนคุณมีข่าวในเรื่องเหล่านี้แล้วสรุปไาเนี่ยเพราะดื่มเหล้าครับอะเนี่ยหมอนเนื้อหมูตัวเพลินการพนันครับเพื่อให้คนได้ตรหนักสํานึกค่อยๆกัดกร่อนจิตใจเขาแล้วค่อยๆถอยถอยครับค่อยๆถอยห่างออกไปเด็กจากไฟร้อนก็ถอยเองครับเจอนะฮะแต่ไม่ใช่ห้ามจับครับ อ่านจับได้ไปะเดี๋ยวก็จับเลยเด <c oughs> ีเยวร้อนมากกว่าเดิมนะครับผม ค, ค, คือสำคัญว่าหลักการของพระพุทธเจ้าอาจารย์ลวงปู่พระพุทธเจ้าไม่มีคำว่าห้ามเลยแม้แต่คำเดียวในพระจัา บ, บิโตใช่ครับนั่นคือใ ห, ให้ให้ให้สังเกตนั่นคือบรมครูนะฮะเขาไม่ใช้วิธีห้ามครับแต่เขาใช้วิธีสร้างสำนึกว่าคนดีในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้หนึ่งสองสาสี่ห้า ค, คุณต้องการเป็นคนดีอันนี้เป็นทางเสื่อมนะนักเลงหญิงนเลงสุราเรื่องการบนันทันก็คนชั่วเป็นมิตรกีขั้นทำการงานเป็นทางเสื่อมนะถ้าคุณต้องการไม่ต้องการเสื่อมคุณก็อย่าเดินอ๋อครับผมเดีย๋ยรับแต่ว่าเราไปทางทางไม่ได้เออมันไม่ใช่เรื่องครับมันมันมั น, มนอธิจริงมาว่าเราเร า, เราเรียนหนังสือมากเกินไปครับแต่เราไม่เรียนมนุษย์ อ๋อใช่ครับไม่เข้าใจมนุษย์เรียนจนไม่รู้จักมนุษย์ไปเลยครับไรู้จักธรรมชาติของาศาสตร์โลกอ่ะครับคือศาสนาพุทธเนี่ยเขาเรียนจากตัวเราไม่ใช่เรียนจากข้างนอกครับเรียนจากตัวเราครับเราคิดเราวันนี้เอามาสอนเรนก็สอนอุ ป, ปมาเรนรม่ใช่เราวุทธก็บวชก็เนนคิดดูเลยถ้าเขาข่าเนเนเนรเอาไหมเห็นไหมสี่ข้อห้าข้อเนี่ยให้เราคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้เดี๋ยวคนก็จะเลิกเอง ทีนี้ถ้าเรายังคิดเอาใจเขามาใส่ใ จ, AMY, จเราไม่ได้เนี่ยมันมันก็แก้ไม่ได้หรอกครับต้องต้องให้เขาเกิดคิดเองว่าเราไปตามคุมก็ไม่ได้หรอกกฎมั น, นเยอะให้เขาคิดเองครับอันนี้เหมือนกันนะะเล่าขายไปดิวางขายไปด üh, ิ <atar ain S 3> ยันไม่ดื่มไม่เมันจะวิ่งชนปากนะ <key>, ชัดเจนเลยครับดูด่ใจนะพัน <spec if. S 1> ครับผมยัไวันนี้นะครับ อ, อขอพวกคุณทุกสายเลยนะครับมาถึงสิบหกสายเลยนะครับ เต็มที่เลยนะครับวันนี้รายการเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยสิบประชุมนะครับขอญาตกลับราท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านก่อนนะครับสาหรับท่านที่จะเขียนจดหมายเข้ามานะครับขอสี่จำมานะครับนึ่งในวันเกิดท่านพลเด็กเสรีนะครับก็หกสิบเอ็ดปหลดโยธินจ็ดตุจักกรุงเทพหนึ่งศนย์้าศูนูย์ะครับวันที่สี่ธันวาหน้าเจอกันครับขอรับความกรุณาจากท่านพลเด็กเสรีผู้กมานครับสวัสดีครับ